พระวินัยปิฎกปริวานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งพิกขุวิพังโสรสะมหาวาระตอนหนึ่งหนึ่งกัถปัญญติวาระวาระว่าด้วยบัญญัตินะที่ไหน หนึ ร, ราชิกกันคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในป ร, ราชิกกัน 1. พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติป ร, ราชิกสิกขาบทที่หนึ่งณที่ไหนทรงปรารบใครเพราะเรื่องอะไรในป ร, ราชิกสิกขาบทที่หนึ่งนั้น มีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปปณะบัญญัติสัพพะถบัญญัติปเทสบัญญัติสาธาระบัญญัติอสาธานะบัญญัติเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัติอยู่หรือบรรดาปาติโมกขุเทศห้าอุเทศประราชิกสิกขาบทที่หนึ่งนั้นจัดเข้าในอุเทศไหนนับเนื่องในอุเทศไหน มาสู่อุเทศโดยอุเทศไหนบรรดาวิบัตสี่อย่างเป็นวิบัติอย่างไหนบรรดากองอาบัตเจ็ดกองเป็นกองอาบัตไหนบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่บรรดาอธิกรสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนบรรดาสมถะเจ็ดอย่าง ระงับด้วยสมถะเท่าไรในป ร, ราชิกสิกขาบทที่หนึ่งนั้นอะไรเป็นพระวินยัยอะไรเป็นอภิวินยัยอะไรเป็นพระปาติโมกอะไรเป็นอธิปาติโมกอะไรเป็นวิบัติอะไรเป็นสมบัติอะไรเป็นข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติป ร, ราชิกสิกขาบทที่หนึ่งโดยทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไร